หวิตกกะติกะเจปัญหาวาระหนึ่งปัจจ ญ, ญานุโลมหนึ่งวิพังคาวาระเหตุปัจใจหกสิบหกสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยเหตุตกปัจจัยได้แก่เหตุที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สัมพุตธะขันโดยเหตุตกปัใจจัยในปฏิสนธิขณะ สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยเหตุตุปัจจัยได้แก่เหตุที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่วิตกโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยเหตุุปัจจัยได้แก่เหตุที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทัานรูป โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่มีทั้งวิตกและวิจารณเป็นปัจจัยแก่กระตตารูปโดยเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตาสมุทารูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะ เหตุที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สัมพยุจตะขันและกตัตตารูปโดยเหตุตุปัจสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์โดยเหตุตุปัจได้แก่เหตุที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่วิตกและจิตสมุมทฐานรูปโดยเหตุตุปัจในปฏิสนธิขณะเหตุที่มีทั้งวิตกและวิจารณ เป็นปัจจัยแก่วิตกและกระตาตารูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขัน์และวิตกโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขัน์และวิตก โดยเหตุตกปัจจัยสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารโดยเหตุตกปัจจัยได้แก่เหตุที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตญะขันวิตกและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตปัจัยในปฏิสนทิขณะเหตุที่มีทั้งวิตกและวิจาร เป็นปัจจัยแก่สัม ป, ปยุตตะขัน์วิตกและกระตาตารูปโดยเหตุปัจจัย67สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่มีวิกตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิกตกและวิจารโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่วิจารและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่วิจารและกตาตารูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร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 สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยเหตุุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขัน์และจิตจะสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยและปฏิสนธิขณะเหตุที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและกระตาตารูปโดยเหตุุปัจจัยอารมณปัจจัย69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 พิจารณากิเลสที่คมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารกความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นราคะจึงเกิดขึ้นโทมนะจึงเกิดขึ้นเพราะปรารกขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์เพราะอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศล น, นั้นเพราะปรารบกุศล น, นั้นวิตกจึงเกิดขึ้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานที่มีทั้งวิตกและวิจารออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณาผลเพราะปรารบฌานเป็นต้นนั้น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 สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารโดยอารมณะปัจจัยได้แก่บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสารวิสติญาณยะถากรรมูปัคขญาณและอนนาคตังสญาณโดยอารมณะปัจจัย เพราะปรารบขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ขันที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์จึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและพิจารณากุศลนั้นเพราะปรารบกุศลนั้น ขันที่มีทั้งวิตกวิจารณและวิตกจึงเกิดขึ้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณาผลเพราะปรากรกุศลนั้นขันที่มีทั้งวิตกวิจารและวิตกจึงเกิดขึ้นพระอริยพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ขมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้น เห็นแจ้งขันที่มีทั้งวิตกและวิจาร์โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นขันที่มีทั้งวิตกวิจารและวิตกจึงเกิดขึ้นเพราะปรารุขันที่มีทั้งวิตกและวิจาร์ขันที่มีทั้งวิตกวิจาร์และวิตกจึงเกิดขึ้นเจ็สิสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอรมณปัจจัยได้แก่บุคคลออกจากฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณาผลเพราะปราบรูปสลนั้นวิตกจึงเกิดขึ้นเห็นแจ้งขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิตกโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลิน เพราะปร า, ารกความยินดีเพลเพลินขันนั้นวิตกจึงเกิดขึ้นเพราะปรารกขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณและวิตกวิตกจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณโดยอรมณะปัจจัยได้แก่บุคคลออกจากฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ออกจากมักออกจากผลแล้วพิจารณาผลเพราะปรารกกุศลนั้น ขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์จึงเกิดขึ้นเห็นแจ้งขันที่ไม่ม well ีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิตกโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารกความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นราคะจึงเกิดขึ้นโทมนาจึงเกิดขึ้นเพราะปรารกขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณและวิตกขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอารมณ์ปัจจัยได้แก่บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมโปัคญาณและอนาคตังสญาณโดยอารมณ์ปัจจัย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 ขันที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกจึงเกิดขึ้นเห็นแจ้งขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิตกโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นขันที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิตกขันที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกจึงเกิดขึ้น71 สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอารมณ์ปัจจัยได้แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรคผลที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิจารณ์โดยอรมณปัจจัยบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประสงทธาตุรู้จิต ข, ของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่มีวิตกและวิจารณ์ด้วยเจโตปริยญาณ อาคาสานัญญาตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญญาตนะอาคินจัญญาตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยอารมณะปัจจัยรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอารมณปัจจัยขันธ์ที่ไม่มีวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวานุสต <bits> ิญาณ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 ออกจากผลแล้วพิจารณาผลเพราะปรารภูสอนนั้นขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารจึงเกิดขึ้นพระอริยะพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจจยแก่โคตรภูโวทานมัคผลที่มีทั้งวิตกวิจาร์และอวัชนะจิตโดยอรมณปัจจัยบุคคลเห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลิน เพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินจากสุนั้นราคะจึงเกิดขึ้นโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งโสตะคานะชิวหากายรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะพาทยวทัตถุขันที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณและวิจารณ์โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารุคความยินดีเพลิดเพลินโสตะเป็นต้นนั้น ราคะจึงเกิดข e. ึ้นโทมนัสจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบขันที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิจารณ์ขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์จึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอารหันต์ปัจจัยได้แก่พระอริยะออกจากฌานที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณออกจากมักออกจากผลแล้วพิจารณาผลเพราะปรารบฌานเป็นต้นนั้น วิตกจึงเกิดขึ้นพระอริยพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรคผลที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์และวิตกโดยอรมณปัจจัยบุคคลเห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหาทายวัตถุขันธ์ที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารและวิจาร์โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลิน เพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นวิตกจึงเกิดขึ้นเพราะปรารุขันที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิจารณ์วิตกจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณโดยอารมณปัจจัยได้แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรคผลที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิจารณ์ โดยอรมณะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยอรมณปัจจัยได้แก่พระอริยะออกจากฌานที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารออกจากมักออกจากผลแล้วพิจารณาผลเพราะปรารบฌานเป็นต้นนั้นขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารและวิตกจึงเกิดขึ้นพระอริยะพิจารณานิพพาน นิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูและวิตกโวทานและวิตกมัคที่มีทั้งวิตกวิจารและวิตกผลที่มีทั้งวิตกวิจารณและวิตกอาวัจนะจิตและวิตกโดยอารมณปัจจัยบุคคลเห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารจความยินดีเพลิดเพลินจากสุนั้นขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกจึงเกิดขึ้น บุคคลเห็นแจ้งโสตะโผธทพะหาทายวัตุขันธ์ที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณและวิจารณ์โดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารจความยินดีเพลิดเพลินโสตะเป็นต้นนั้นขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารและวิตกจึงเกิดขึ้นเจ็สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจาร เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอารมณะปัจจัยได้แก่เพราะปรากรกขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณและวิจารณ์ขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์จึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารกขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณและวิจารณ์ วิตกจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารโดยอรรถมณะปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและวิจารเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสารุสติญาณแะทากโมปัคยญาณและอนาคตังสญาณโดยอารมณปัจจัย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 โดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารคขันที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกวิตกจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอารมณปัจจัยได้แก่ขันที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยานปุเพนิวาสานุสติยานยะถากระโมปัคยาน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 ขันที่มีทั้งวิตกวิจารและวิตกจึงเกิดขึ้นปฏิปติปัจจเจ74สิบสี่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจัยแห่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารโดยอธิ ป, ปติปัจัยมีสองอย่าง คืออารมณนาทิปติและสหาชาตาทิปติอารมณนาทิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นออกจากฌานที่มีทั้งวิตกและวิจารออกจากมรรคออกจากผลและพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ยินดีเพลิดเพลินขันที่มีทั้งวิตกและวิจาร์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลิพลนขันนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคาจึงเกิดขึ้นทิฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดิธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยอธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาทิปฏิและสหชาตาธิปฏิอารมณนาทิปฏิได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและพิจารณากุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำาวามพิจารณากุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นวิตกจึงเกิดขึ้น บุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นออกจากฌานที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ออกจากมักออกจากผลแล้วพิจารณาผลให้เป็นอารมณอย่างหนักแน่นเพราะทําการพิจารณาผลนั้นให้เป็นอารมอย่างหนักแน่นวิตกจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ให้เป็นอารมอย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นให้เป็นอารมอย่างหนักแน่น วิตกจึงเปิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แ <birthday>, ก <people. S 2> ่อธ <Spencer> <Mania. S 1> ิปดีธรรมที <listed> ่ม <po film>. ีทั้งวิตกและวิจาร์เป็นปัจจัยแก่วิตกโดยอธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร์โดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูป โดยอธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารโดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปฏิได้แก่อธิปดีธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุจจะขันและจิตตสโมฐานรูปโดยอธิปฏ <ız S 1> ิป <Der aty> <results> ัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์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 และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจญาณโดยอธิปฏิปฏัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปติและสหาชาตาธิปติอารมณนาทิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถและพิจารณากุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําการพิจารณากุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้ว ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นออกจากฌานที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำการพิจารณาผลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ขันที่มีทั้งวิตกวิจารณและวิตกจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปฎิธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและวิตกโดยอธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์โดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวเกิสหชาตาธิปติ ได้แก่อธิปดีธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุติขันวิตกและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปติปัจใจเจ็ดสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารามานาธิปติและสหาชาตาธิปติอารามานาทิปติได้แก่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 สหาชาตาธิปติได้แก่อธิปฏิธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันดโดยอธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารัมนาธิปติได้แก่บุคคลออกจากฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารออกจากมรรคออกจากผลแล้ว พิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความพิจารณาผลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์และวิตกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินขันธ์และวิตกนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปฏิได้แก่อธิปฏีธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่วิจารณและจิตตสมุทานรูปโดยทิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์โดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียว โดยสหาชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สัมพยุตตะขันวิจารณ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณนาธิปติได้แก่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 ขันที่มีทั้งวิตกวิจารและวิตกจึงเกิดขึ้นเจสิหสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปฏิและสหชาตาธิปติอารมณนาธิปติได้แก่นิพานเป็นปัจจัยแก่มรรคผลที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิจารณ์โดยอธิปติปัจจัย สหาชาตาธิปติได้แก่อธิปฎิธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมถานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมทีม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอธิปติ ป, ปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาธิปติได้แก่พระอริยะออกจากฌานที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ออกจากมรรค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 วิตกจึงเกิดขึ้นพระอริยะพิจรารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่มากผลที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิตกโดยอ ธ, ธิปฏิปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุภาทัยวัตถุขันธ์ที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิจารณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความวยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นวิตกจึงเกิดขึ้น สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวเพื่ออารมนาธิปติได้แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรคผลที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและวิจารโดยอธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจาร และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์โดยทิปฏิปัจใจมีอย่างเดียวเพื่ออารมนาทิปติได้แก่พระอริยออกจากฌานที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร์ออกจากมักออกจากผลแล้วพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําการพิจารณาผลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันที่มีทั้งวิตกวิจารและวิตกจึงเกิดขึ้นพระอริยพิจารณานิพพานให้เป็นอารมอย่างหนักแน่น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 ขันที่มีทั้งวิตกวิจารและวิตกจึงเกิดขึ้น77สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณโดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาธิปติได้แก่เพราะทำขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิจารณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์จึงเกิดขึ้น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 ที่มีทั้งวิตกและวิจารณโดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณนาธิปติได้แก่เพราะทำขันที่มีทั้งวิตกวิจารณและวิตกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยทิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณนาธิปติ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 ที่มีทั้งวิตกวิจารและวิตกจึงเกิดขึ้น